ในช่วงนี้กล่าวเน้นไปที่เรื่องของกรรมเป็นหลักศึกษาทางแห่งกรรมเหมือนกันว่าชีวิตของเราตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นยันหลับทำกรรมเกือบตลอดเลยเป็นทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปทั้งเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างดังนั้นการศึกษา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 แล้วแม้กระทั่งวิปัสสนาก็คือก็คือมนโนกรรมวิปัสสนาก็เป็นไปกับมนโนกรรมเพราะสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเป็นมนโนกรรมสัมมาทิฏฐิมีอยู่ห้าประการด้วยกันก็คือหนึ่งกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิสองวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิาสามฌานสัมมาทิฏฐิสี่มัคคสัมมาทิฏฐิห้าผลสัมมาทิฏฐิบางแห่งกล่าวไว้ เป็นเรียกว่าปัจเจกขณะยานด้วยปัจเจกขณะสัมมาทิฏฐิด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่พบก็คือห้าแห่งมันมีความสำคัญมากสัมมาทิฏฐนะินั้นสัมมาทิฏฐินั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ที่พยาบาทมากสัมมาทิฏฐิก็เกิดยากถ้าหากว่าเราเอาข้อสิบไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าหากว่าคนที่หนักไปในทางโทสะปัญญาก็เกิดยากหนักไปในทางโลภะกรรมสกตาเป็นต้นก็เกิดยาก มีวจีกรรมที่ไม่สุดจริตปัญญาก็เกิดยากพูดเท็จพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดถ้าพูดเหล่านี้บ่อยๆไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาอะไรเลยและในขณะเดียวกันกายกรรมก็เหมือนกันในกายกรรมทั้งสามก็คือเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกที่ยกมาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเอาแบบหยาบที่สุดมาแสดงเอาแบบหยาบที่สุดมาแสดงว่าผู้ที่ล่วง ล่วงอกุศ ล, ลกรรมบดเนี่ยก็เรียกว่าล่วงมนุษยธรรมไปแล้วเขบอกว่ามนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลยเขาบอกไงเจตนาให้ถึงความเป็นมนุษย์ยังไม่เหลือเลยอ่ะนั้นถ้าล่วงอกุศลกรรมบดเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่มีมนุษยธรรมหรือไม่มีธรรมะแล้วแต่ถ้าหากว่าฌานอภิญญามมรรคผลเป็นต้นเขาจะเรียกว่าอุตริมนุษยธรรมคือมันสูงยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ทั่วไป แต่ถ้าหากว่ามนุษยธรรมทั้งสิบประการเนี่ยนะไม่มีคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยไม่ต้องร้องเรียกขาเลยอันถ้าผู้ที่มีความเข้าใจในมนุษยธรรมเหล่านี้เป็นอย่างดีอย่างน้อยที่สุดก็กลับมาเป็นมนุษย์คืนก็อย่างนี้ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเรียกว่าสาไปซื้อขนมมาขายใช่ไหมเป็นแม่ค้าไปซื้อขนมมาขายไปซื้อขนมมายี่สิบบาทขายแล้วได้กําไรกลับคืนนะรวม คุณรวมอะไรเบ็ดเสร็จเหลือสิบห้าบาทแสดงว่าเสียเวลาไปวันหนึ่งหมดเงินไปห้าบาทเหนื่อยซีรีกวันหนึ่งฉนันใดถ้าหากว่าเราไปอาบายภูมินะแสดงว่าเรานี่ย่ำแย่มากเรียกว่าต้นทุนมาสูงนะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าในสังสารวัฏอันยาวเนี่ยนะไม่มีกรรมใดที่บุคคลไม่เคยทําเว้นมกกรรคตมเว้นมกกรรคก็คือเว้นอริยมรักอ่ะประกอบด้วยองค์แปดในขณะมรรคจิตที่เหลือเนี่ยทําเกือบหมดแล้ว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 ขึ้นต้นด้วยปฏิรูประเทศวาสะกุศลทั่วไปหนึ่งต้องอยู่ในปฏิรูปประเทศจึงจะเจริญกุศลได้ง่ายเข้าไปในสนามมวยดูสิกุศลเกิดง่ายไหมโอ้โหไปถึงเจริญกา ร, รุณาเจตสิกเลยนะ ม, มวยที่ต่อยกันมวยนี่ก่ออายุไม่ถึงร้อยปีเดียวก็ตายกันหมดแล้วมาต่อยกันอยู่ได้เหมือนกับไก่ในสุ่มนะพรุ่งนี้ช้าก็จะเอาไปต้มแล้วก็ยังมาต่อยกันอยู่นั่นแหละ ยังมาจิกมาตีกันอยู่นั่นแหละเออเราเองก็ไม่ถึงร้อยปีอีกหน่อยเราก็ตายควรแล้วที่จะเจริญกุศลเจริญเมตตาสงสารต่อคนเหล่านี้มากๆเราคิดอย่างงี้ไหมแทบไม่เคยคิดเลยอ่ะเออฝ่ายเราน็อกเนี่ยนะริมน็อกเอวเย้ยๆบางคนเป็นลมไปเลยว่ามีกลับไปอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งคนกําลังฟังธรรมมีความรู้ความเข้าใจคนแสดงก็แสดงด้วยความเข้าใจคนฟังก็ฟังแล้วมีศรัทธาไอเราเดินเฉียดเฉียดกุศลจิตยังเกิดเลย เดินเฉียดเฉียดที่เขาแสดงคําำนะยังไม่ได้ฟังเลยเรายังรู้สึก อ, อดีนะกุศลจิตเรายังเกิดมูทิตาเกิดกับเขาเลยรู้สึกยินดีกับเขาโอ้นี่บุญก็เกิดขึ้นแล้วะนั้นอารมณ์เนี่ยจึงมีความสําคัญมากอันโสตาปฏิยังฆะธรรมเนี่ยสี่ประการเนี่ยจึงเห็นว่ากุศลจิตที่จะพัฒนาได้นานหรือไม่นานก็อยู่ที่โสดาปฏิยังฆะธรรมอันดับต้นก็คือปฏิรูประเทศวสะสักถ้าใคร ศึกษาธรรมะและใช้ชีวิตอยู่ในหลายๆแห่งเนี่ยจะรู้ดีความสำคัญของปฏิรูปประเทศอยู่อีกแห่งหนึ่งเนี่ยอ้โหโโกุศลจิตเนี่ยเกิดยากจริงๆแทบจะขอร้องบนบานก็ยังยากเลยอะ่ะก็เหมือนที่เล่าว่ากลับไปที่บ้านเมื่อไรนะเอาพระไตรปิฎกมาอ่านไม่ถึงสิบหน้าเลยอู้หู่ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้พระไตรปิกต่อมีอะไรก็มีจะได้กุศลบ้างก็ต่อเมื่อ แสดงทําให้เขาฟังเออตรงนี้พอได้กุศลจิตจะเกิดต่อเนื่องเลยบ้างแต่ถ้าอ่านเองเนี่ยยังไงไปอีกแห่งหนึ่งเนี่ยเราอ่านปุ๊บนะเกิดปีติเกิ ด, ด, ด, กดความสุขสบายใจมากเลยนะอยากอ่านเห็นคุณค่าแล้วเกินนพระธรรมเนี่ยดีเหลือเกินแต่ไปอีกแห่งหนึ่งไม่ได้อ ย, อย่างนั้นหรอเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อไหร่จะได้กลับสักทีเนี่ยเล็กนักแบบนั้นไปบางแห่งเนี่ยอุ้ยขอให้เราได้อยู่ที่นี่อีกนานๆนะ ทำยังไงนะจะอยู่อย่างนั้นนานๆมีชีวิตอยู่แบบนี้อีกระยะหนึ่งเถอะนะคงได้ดีอีกแน่นอนเลยงั้นถ้าศึกษาชีวิตคุณภาพจิตสุขภาพจิตเราจะรู้แบบนั้นว่าอิทธิพลของปฏิรูปประเทศนี่มีสูงมากอันดับที่สองก็สัตบุริสูสังเสวะการคบสัต บ, บุรุษเนี่ยนะนี่มีความสำคัญมากคนที่เราเกี่ยวข้องเจอหน้าอีกคนหนึ่งปั๊บเมตตาเกิดแล้วแค่นึกถึงก็เลยเนี่ยเมตตาเกิด ใช่ไหมคนดีๆเนี่ยเรานึกถึงเมื่อไร่ปั๊บปุ๊บกุศลจิตเนี่ยเกิดเลยนะนึกเขาเมื่อไรและสบายใจแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยโผล่หน้ามาทางความคิดเมื่อไหร่นี่อือมาทําไมวะเนี่ <c oughs> <c oughs> ยเขาเรียกว่าพยาบาทวิตกจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะอีกคนหนึ่งโผล่หน้ามาทางความคิดเมื่อไหรปั๊บไอกา ม, มาวิตตกเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งวิหิงสาวิตตกเกิดขึ้นมานะเจอหน้ากันจะฉาละเพลงวิหิงสาวิตตกจะเกิดขึ้นบางทีนึกไม่ดีกับเขา เพรคนที่เราเกี่ยวข้องนั้นมีความสําคัญมากสถานที่ก็สําคัญคนที่เราเกี่ยวข้องก็สําคัญและสามก็คือการฟังก็สําคัญว่าเราฟังอะไรมากในขณะนั้นนั้นถ้าเราลองฟังคนทะเลาะ ก, กันดูสิกุศลจิตเกิดง่ายไหมดีเราเนี่ยแทบตกใจไปด้วยเลยนะแต่คนก็กําลังฟัดเอาชักปืนออกมายิงกันเปรี้ยงปงเปรียปร้ยงปย ง, เ, ปงเนี่ยโอ้โหยังเป็นกุศลจิตอยู่เลยเนี่ยแสดงวันแน่มากส่วนใหญ่เนี่ยวูบเลยนะ เส ม, มอเห็นรถชนกันปุ๊บนะเรายังสุขภาพจิตเราเหมือนเดิมเลยกุศ ล, ลจิตยังเจริญสืิมเนื้อเป็นได้ไหมถ้าฝึกจริงๆก็เป็นได้แต่ก็ค่อนข้างยากเรื่องที่เราฟังเนี่ยมีความสําคัญมากเรียกว่าการฟังแล้วสุดท้ายโยนิโสมนสิการหรืออัตตะสัมมาปณิทิเราตั้งอะไรไว้ในใจของเรามากสมมุติถ้าหากว่าคนที่ที่ตั้งใจจะรักษาศีลเลยนะข้อไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะ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 มาขณะที่กําลังรัดเนี่ยเขามีมีดอันหนึง่งค่าดีไหมคิดเลยนะค่าได้เลยแต่แล้วนึกเอ้เพิ่งสมาทานมาเพิ่งสมาทานศีลมาจากพระที่เขาเคารพมากเพราะฉะเออตายกา็ตายไปกับศีลเถอะวันนี้พอคิดอย่างนั้นนะด้วยเดชแห่งกุศลบางอย่างเนี่ยงูเนี่ยคลายแล้วก็ปล่อยไปด้วยเดชแห่งกุศลอันนั้นเนี่ยนะตั้งใจแล้วก็โยนมีดทิ้งไปเลยให้มันตายดูสิตายกับศีลดูเขาก็สามารถที่จะไม่ฆ่าได้ แล้วถ้าปรารพถึงศีลพัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลศีลกุศลภาวนาชั้นสูงสูงก็าตามแค่ปรารพปุ๊บเนี่ยนะเหตุการณ์ร้ายๆนึกถึงคำเหล่านี้อย่างสบายใจเลยเป็นอนุภาพของอโลพะอโทสะโมหะอันถ้าหากว่าใครที่กำลังมีโทสะอยู่นะแค่นึกถึงกุศลจิตบางอย่างเท่านั้นแหละมีความสบายใจขึ้นมาอย่างทันทีเลยอันถ้าหากว่าผู้ที่มีความสามารถ ขอบเขตที่ตั้งใจจิตไว้ได้ขนาดไหนคนนั้นก็สามารถที่จะรู้ธรรมได้ขนาดนั้นมันอยู่ที่การตั้งใจนะชีวิตของเราเนี่ยความคิดของเราอยู่ขณะนี้เนี่ยที่นั่งคิดคิดกันอยู่เนี่ยแล้วแต่เราจะน้อมความคิดอันนี้ไปทำอะไรจะเอาความคิดของเราไปทำอะไรก็ได้น้อมความคิดอันนี้ทำจิตตะชรูปเป็นกายกรรมขีดเขียนก็ได้น้อมไปเป็นว จ, จีกรรมชวนคนพูดคุยกันก็ได้ น้อมไปทางมนโนกรรมนั่งฟังเพลงไปด้วยคิดถึงเพลงไปด้วยกระดิกเท้าไปด้วยยังได้เลยใช่ไหมมันแล้วแต่เราน้อมไปอันนี้ถ้าหากว่าคนที่ฉลาดน้อมก็จะมีอัตตะสัมมาปิณิทิกก็คือฝึกเจริญสัมปชัญญะสี่นั่นเองฝึกเจริญสัมปชัญญะสี่แล้วแต่คิดเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมถ้าหากว่าผู้ที่ที่มั่นคงในเรื่องของสัมปชัญญะเป็นต้นคิดเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม หรือถ้าหากว่ามั่นคงในคําสอนเนี่ยไอคิดอย่างนี้เท่ากับคําสอนสูตรไหนบ้างถ้าหากว่าเราคิดแบบนี้ชื่อว่าปฏิบัติตามพุทธโอวาทข้อไหนใช่ไหมสมมุติถ้าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเนี่ยชื่อว่าประพฤติตามพุทธโอวาทข้อไหนคิดได้ไหมพระ อ, องค์กล่าวว่ามาตาปิโตอุปัทานางังเอตัมมังคามุตตะมังการบํารุงพ่อแม่เนี่ยนะการอุปถากบํารุงพ่อแม่เนี่ยก็เป็นอุดมมงคล อันถ้าเรานึกปั๊บเนี่ยอนะนึกหน้าพ่อหน้าแม่ปั๊บเราจะช่วยเหลืออะไรท่านได้บ้างอันนั้นก็เป็นกุศลจิตไปแต่ถ้าหากว่าอีกคนหนึ่งไม่มีอัตตาสัมมาปณิทิในะอขอตังค์พ่อใช้ดีกว่าเอก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งมันก็แล้วแต่แล้วแต่จะน้อมจิตไปงัแต่ถ้าหากว่าคู่ที่มีอัธยาสายัยมีศรัทธาในคําสอนปั๊บเนี่ยคิดถึงอะไรก็ตามจะดึงธรรมะพิจารณาเรื่องนั้นนั้นต่อไปด้วย จะเอาคําสอนเนี่ยพิจารณาในอารมณ์นั้นๆไปด้วยอันพระพุทธเจ้าไม่ได้กรีดกันว่าเธอต้องเห็นอย่างนี้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้นเธอต้องมีรูปารมณ์แบบนี้เธอต้องมีสัทธารมณ์แบบนี้เธอต้องมีคันธารมณ์แบบนี้ไม่องค์บอกว่าคันธารม์รัสารมเป็นต้นเหล่าใดที่กุศลจิตเกิดขึ้นได้ให้สแสวงหาอารมณ์เหล่านั้นเด็กก็คื อ, คอรักษาสุขภาพจิตเป็นเป็นหลักเพราะว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือ จิตและเดจตตสิกนั่นะแหละแต่เป็นไปกับกุศลอารมณ์ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เป็นอัพยากตะแล้วแต่จะน้อมให้เป็นอะไรน้อมไปดีมก็ดีน้อมไปไม่ดีก็ไม่ดีแล้วแต่จะน้อมเอาถ้าผู้ที่มีอัตตาสัมมาปณิที่ดีก็จะน้อมไปหาหาความดีเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นนะถ้าศึกษาเรื่องกรรมแล้วก็จะน้อมที่จะฉลาดคิด คนอื่นเขาคิดยังไงกับเราไม่สําคัญเท่าว่าเราคิดอะไรกับคนอื่นคนอื่นเขาพูดอะไรกับเราไม่สําคัญเท่ากับว่าเราพูดอะไรกับคนอื่นคนอื่นเขาทํำยังไงกับเราไม่สําคัญต่อเราทําอย่างไรกับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาทําอย่างไรก็ตามเขาพูดอย่างไรก็ตามเขาคิดอย่างไรก็ตามเขาไปตามกรรมของเขาแน่ถ้าเขาทําด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุดจริตเข้าไปดีสุขคติเขาหวังได้ ทีนี้ของเราอ่ะเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรนั่นแหละคือคือทางเดินของเราซึ่งทางเดินอันนี้เนี่ยใครเป็นคนเลือกให้ก็เรานั่นแหละเป็นคนเลือกถ้าหากว่ามีอัตตาสัมมาปณิทิฏีดีเราก็เลือกไปดีอัตตาสัมมาปณิทิก็คือโยนิโสมนัสิการนั่นเองเลือกที่จะเจริญเลือกที่จะพูดจะทาจะคิดก็ได้งนั้นในเรื่องของกรรมบทนั่นอ่ะก็คือบุคคลผู้ตั้งนั่นเอง แต่ในการเรียนกรรมบทนั้นจะต้องมองทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายดำและฝ่ายขาวก็ยังไงเรียนสูงก็ต้องเรียนต่าด้วยนะรู้แต่สูงไม่รู้ต่ำเอ้นจะต่างยังไงเรียนมืดต้องเรียนสว่างด้วยทีนี้ก่อนที่จะรู้จักการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของปานาติบาตด้วยใครเอาเอกสารมาก็พลิกได้เลยนะหน้าสิบเก้า พูดถึงปาาติบาตขึ้นต้นด้วยกายกรรมก่อนขึ้นเข้าโคงเรื่องก่อนว่ากรรมทั้งหมดมีมีสามหนึ่งกายกรรมสองวจีกรรมสามมโนโกรรมเอาฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนะกายกรรมมีสามหนึ่งฆ่าตัดสองลักทรัพย์สามประพฤติผิดในกรรมสามอย่างนี้เรียกว่ากายกรรม ส่วนวัจจิการร ม, มีี4ประการน 1. พูดเท็จสองพูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจ้อแลวทีนี้ต่อไปว่ามโนกรรมมี3ามโนกรรมก็คือ 1. อภิชาหรือเพ่งเล็งด้วยอำนาจโลภะสองพยาปาทะโทสะสมิจฉาทิฐิมโนกรรมมีสาม กายกรรม3ามวจีกรรมสี่มโนโกรรมสามรวมเบ็ดเป็นสิบอย่างด้วยกันในกายกรรมสามอย่างนั้นคือปานาติบาตเป็นข้อที่หนึ่งเลยนะคำว่าปานาติบาตนั้นก็คือการอย่างสัตว์มีชีวิตซึ่งมีอันจะต้องตกไปเป็นสภาพโดยหน้าที่ของตนเองนั่นแหละให้ตกไปชื่อว่าอติาตาตักหมายความว่าชีวิตของเขาเนี่ยก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆใช่ แต่บุคคลเนี่ยไปทําให้ให้สัตว์นั้นอะ่ะตกล่วงไปเร็วพลันอยงเี้นะทุกคนเนี่ยตายแน่ใช่ไหมแต่ปกติเขาอาจจะแปดสิบปีตายอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเรียบไปให้เขาตายก็ตอนยี่สิบอย่างเงี้ยอย่างงี้เรียกว่าปานอธิบัติคือยังไงสัตว์ตายแน่ไม่ต้องห่วงคุณค่าเขาก็ตายไม่ฆ่าเขาก็ตายตายแน่ยังไงก็ตายไม่แช่งเขาก็ตายแช่งเขาก็ตายเพราะความตายเป็นธรรมดา เขาบอกว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครขอร้องอ้อนวอนว่าเออขออย่าตายเถอะนี่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะซึ่งยังไงสัตว์ทั้งหลายตายแนย่แต่ว่าให้เขาตายก่อนกําหนดเนี่ยอลักษณะนี้แหละเรียกว่าปานาติบัติที่จริงเขาเราก็ไม่น่าจะรีบให้เขาตายเร็วขนาดนั้นนะเนอะนี่หนะมายเขาก็ตา ย, ยแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องไปทําบาปด้วยยังไงเขาก็ตายอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะ การใช้ศาสตราเป็นต้นครอบงำให้ตกล่วงไปชื่อว่าอติปาตักอันนี้ก็หมายถึงการฆ่าสัตว์มีชีวิตสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะอันหนึ่งขันธสันดานที่เรียกว่าสัตว์ชื่อว่าปานะขันธสันดานนะก็คือขันนั่นเองสันตานะสันดานนี้แปลว่าอะไรสันดานก็แปลว่าสืบเนื่องอะขันธสันดานขันนี่แปลว่ากองแห่งโรคเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ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 สิ่งนั้นมีชีวิตรูปและชีวิตนามชีวิตรูปในกายนี้มีเกิดร่วมกับอะไรได้บ้างเกิดร่วมกับรูปกลุ่มไหนได้บ้างเกิดร่วมกับกรรมมชรูปชีวิตรูปเกิดร่วมกับกรรมมชรูปทุกกลาบทุกกลุ่มจากคู่ภาษาทะก็มีชีวิตรูปเกิดร่วมด้วยโสต่าภาษาท่ก็มีชีวิตรูปเกิดร่วมด้วยชิวหาภาษาทก็มีชีวิตรูปเกิดร่วมด้วยอะไรอีก กายภาษาภาก็มีชีวิตตรูปอิทธิภาวะปุริสภ า, าวะก็มีชีวิตตรูปหาทยวัตถุก็ยังมีชีวิตตรูปอันั้นชีวิตตรูปเนี่ยนะซึมทราบเกือบเกือบทั่วสารพางกายเพราะว่าที่ไหนมีกายที่นั่นก็ต้องมีชีวิตตรูปในกายของเรานะที่ส่วนไหนเช่นเส้นผมที่พ้นศีรษะไปแล้วตรงนั้นไม่มีชีวิตตรูปขนก็เหมือนกันเล็บ บางส่วนของเล็บ ก, ก็ไม่มีชีวิตตรูปผิวหนังที่ที่ตายไปแล้วก็ไม่มีชีวิตตรูปอันส่วนใหญ่เนี่ยทั่วสรารพ่างกายเนี่ยมีชีวิตตรูปกล่อเลี้ยงเอาไว้ชีวิตตรูปเหล่านี้เนี่ยนะถ้าชีวิตตรูปนั้นเกิดร่วมกับจักรประสาทะเป็นเป็นรูปที่เข้าไปทาหน้าที่อนุบาลอนุบาลก็คือตามรักษาตามรักษา กรร ม, มชรูปเป็นรูปที่คอยรักษากรร ม, มชรูปเหล่านั้นในจกักรคูภาษาท่านั้นก็เป็นวัตถุรูปจกักรคูภาษาท่าเป็นวัตถุรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจกักรคูวิญญาณในจกักรคูวิญญาณก็มีชีวิตติณรียเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นหูได้ยินเสียงหนึ่งคำปั๊บมีชีวิตนะชีวิตตนามได้ยินเสียงอาศัยหูที่ยังไม่เน่าอาศัยหูคือชีวิตตรูป เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงโตสตปภาษาทะให้ชีวิ ต, ตนามเกิดขึ้นได้ยินเสียงชีวิ ต, ตนามมีเสียงเป็นอารมณ์ไหมเจตสิกเกิดขึ้นยังไงก็ต้องมีมีมีมมอารมณ์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตตินซีเนี่ยขณะที่หูได้ยินเสียงนั่นแหละชีวิตของเราชีวิตขณะไหนขณะได้ยินขณะเห็นนี่นแหละอันชีวิตต้องแบ่งเป็นชีวิตตรูปกับชีวิ ต, ตนาม แท้จริงเมื่อรูปชีวิตตินทรีย์ที่บุคคลให้พินาศไปแล้วอารูปชีวิตตินทรีย์นอกนี้ก็พินาศไปเพราะอารูปชีวิตอินทรีย์เนื่องกับรูปชีวิตตินทรีย์นั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าจากักรครูภาษาธาเสียหายเสียหายก็ก็คืออินทรีย์รูปอ่ะนะชีวิตอินทรียรูปที่เกิดร่วมกับจกักรครูภาษาธาเนี่ยไม่ทําหน้าที่อนุบาลแล้วอะ่ะจกักรครูภาษาธะก็เสียหายแล้ว ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เหมือนมีอะไรมาทิ่มตาตาบอดเลยชีวิตรูปประเภทจากครูภาษาถ้าไม่ทํางานต่อทีนี้เห็นได้ไหมวันหลังไม่ได้ัถ้ารูปเสียหายปับ๊บจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ทีนี้ในทวารอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมหูก็เหมือนกันก็ค่อยไล่นะเออถ้าตาบอดอ่เห็นไม่ได้ละถ้าหูเสียนะชีวิตรูปเสียปับ๊บได้ยินไม่ได้ละถ้าจมูกเสียปับ๊บ โอ้โโลกเนี้นะอยู่กัสบสศพสบาเลยไม่มีกลิ่นทุกอย่างไม่มีหอมไม่มีเหม็นเลยถ้าห า, า, ากว่าชิวหาภาษาท่าปั๊บลิ้นจระเข้เลยอะไรก็ไม่รู้อ ร, ร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้พเนี้ยนะเอาไหมถ้าทานอาหารไม่รู้รสเลยเนี่ยเอาไหมนั่นแหละโอ้นี้เกิดอีกนนะทีนี้ต่อไปอีกว่าในชิวหาวัตถุเนี่ยนะก็มีชีวิตอยู่ด้วยถ้าหากว่าชิวหาวัตถุเป็นต้นเสียหายไปแล้วชีวิตตัรูปตรงนั้นเสียหายไปแล้วก็ไม่เกิดละ ทีนี้ในส่วนของกายก็เหมือนกันถ้าหากว่ากายยะภาษาธาส่วนไหนตายเดี๋ยวก็จะเริ่เรียกว่าอมพาตเลยมั้ง ย, ยิกยังไงก็ไม่เจ็บแล้หรือถ้าหากว่าไม่ไม่เน่าอ่ะนะหรือไม่เน่าเป็นต้นเนี่ยถ้าไม่เน่าเฉยเเนี่ยบางทีก็ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าตรงนั้นไม่มีชีวิตตินซีแต่อาจจะกายยะภาษาธาไม่มีเมื่อกายยะภาษาธาไม่มีนะไม่เจ็บแต่ตรงนั้นก็ยังมีประเภท ยังมีชีวิตรูปยังมีภาวะรูปยังมีอะไรอยูในส่วนอื่นๆแต่เป็นที่อาศัยเกิดของกายะภาษาทะไม่ได้กายภะษาทาไม่มีปับ๊บกายะวิญญาณก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามีดสับเข้าไปฉับหนึ่งก็ไม่เจ็บเพราะว่าที่เจ็บนั้นก็ต้องตรงนั้นต้องมีกายะภาษาทรูปอั้นถ้าหาว่ากายปภาษาทาในส่วนนั้นๆเสียหายไปชีวิตรูปก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตนาคิดจะฆ่า ของผู้มีความสำคัญในชีวิตสัตว์มีชีวิตนั้นว่าเป็นสัตว์มีชีวิตนะรู้ด้วยว่าเออนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ยังความพยายามอันเข้าไปตัดขาดชีวิตติณสีให้ตั้งขึ้นเป็นไปแล้วทางกายทวาลและวะจจทวานทวานใดทวานหนึ่งชื่อว่าปานาอิบาตคือปานาอิบาตเนี่ยกำเป็นกายกรรมแต่ทวารในการฆ่าล่วงมาได้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 ทวารใดทวารหนึ่งไม่ใช่อย่างอื่นเนี่ยยกเป็นบาลีมาว่ากายวจีทวารานางอัญญทวารรับปวตาเป็นไปแล้วทางกายทวารและวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งนี้แสดงถึงความไม่มีแห่งการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปคือปานาติบาดด้วยวัฏกะเจตนาที่เป็นไปแล้วทางมโนทวารคือคิดเฉยๆไม่ชื่อว่าปานาติบาดไม่ชื่อว่าเป็นกายกรรมแค่คิดอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ไม่ใช่ กายกรรมแต่ไปเป็นประเภทมโนกรรมไปทีนี้ท่านก็เลยอธิบายว่าจริงอยู่แม้ในกลุ่มพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาวิชามยริทธว่าสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีริทธถึงความชำนาญทางใจย่อมเพ่งเล่งในตำราใครมีคำว่าไม่อยู่ตรงนั้นกรุณาขีดขีดค่าค่าหน่อยค่านี้ไม่บัอบุญเนี่ย นับจากข้างล่างขึ้นมาสีบ่บรรทัดอยู่ขวามือสุดเลยย่อมไม่เพ่งเลงเนี่ยเอาคำว่าไม่ออกย่อมเพ่งเลงสัตว์ที่เกิดในคันที่อยู่ในท้องของหญิงอื่นด้วยใจที่ไฝ่ต่ำคนที่ที่เรียนวิชาบางอย่างมาเนี่ยนะเขาเรียกว่ามองท้องอะ่ะคิดไปที่ภาพท้องเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเด็กในท้องตายได้สำนวนแบบทางสุรินเขาเรียกว่าเสกตะปูเข้าท้องเป็นต้นได้อะนะไม่เคยเห็นได้ยินแต่เาว่า เพราะฉะนั้นวิชาเมยาริ์นั้นจึงสําเร็จด้วยอํานาจแห่งวจีทวารเท่านั้นว่าไอวิชาเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่ท่องไม่สวดนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะสําเร็จได้นะมันต้องสวดต้องบริกรรมต้องมีเป็นเวทมนต์เป็นคาถาพวกนี้จะต้องไปอยู่ในป่าอยู่ในรายวิชาบางอย่างเนี่ยองค์ประกอบมันเยอะกว่าจะมาเป็นวิชานั้นได้สําเร็จในการฆ่าได้ทีนี้ต่อไปนะว่าพูดถึงโทษของปานาติบาตเออฆ่าแล้วมีโทษอย่างไร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 บาปมากทําไมเพราะอะไรบอกว่าเพราะมีประโยคใหญ่ประโยคก็คือพิธีการฆ่านั่นเองประโยคฆ่าโหกว่าจะฆ่าตายได้ตัวงั้นนะสมมติจะล้มช้างสักตัวหนึ่งเนี่ยโหพยายามมากแล้วเกินกว่าจะตายได้แม้เมื่อมีประโยคเท่ากันบาหันติบาต์ชื่อว่ามีโทษมากเพราะมีวัตถุใหญ่เป็นต้นแล้วแต่ว่าใช้ความพยายามเท่ากันสมมุติว่าเราใช้ปืนใช่ไหม ยิงออกไปหนึ่งนัดเนี่ยความพยายามเท่ากันในการยิงแต่ว่าถ้าสัตว์ตัวเล็กบาปน้อยหน่อยเหมือนไปนยิงนกนะถ้ายิงนกกระจิบนกกระจาบอะไรเงี้ยก็บาปน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับยิงนกอินทรีตัวโตๆอย่างเงี้ยก็บาปแตกต่างกันหมถ้าฆ่าสัตว์แต่ว่าฆ่ายุงกับฆ่ า, า, ามแมลงสาบแมลงสาบก็บาปกว่ายุงถ้าหากว่ามแมลงสาบกับหนูหนูก็ต้องบาปกว่าแมลงสาบเพราะตัวมันใหญ่กว่าถ้าฆ่าคนอ้วนไะ อ้วนพร้อมเนี่ยเอาความเป็นคนเป็นประมาณนะนะทีนี้ต้องไปถามว่าใครมีศีลกว่าใครถ้าเขามีคุณธรรมมากค่าคนนั้นบาปมากถ้าแมวก็บาปน้อยกว่าหมาหน่อยถ้าคนมีศีลก็บาปกว่าเนาะทีนี้ในบรรดามนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะผู้มีคุณในเพราะมีคุณน้อยปานาติบาตเชื่อว่ามีโทษน้อยชื่อว่ามีคุณมากปานาติบาตมีโทษมากคุณในที่นี้หมายถึง สมมติว่าสองคนเนี่ยคนมีศรัทธากับไม่มีศรัทธานะเราฆ่าคนมีศรัทธาบาปมากกว่าฆ่าคนไม่มีศรัทธาคนมีศีลกับคนไม่มีศีลเนี่ยเราฆ่าคนมีศีลบาปมากกว่าคนไม่มีศีลคนที่มีสุตะกับไม่มีสุตะเนี่ยนะฆ่าคนไม่มีสุตะบาปน้อยกว่าฆ่าคนมีสุตะถ้ามีจาฆ่าเนี่ยนะก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วแต่คุณธรรมที่ว่าเขาบอกว่าถ้าฆ่าเนีงก็บาปน้อยกว่าฆ่าพระอย่างเงี้ย แต่ค่าพระมีกิเลสก็บาปน้อยกว่าค่าพระเสกขะค่าพระโสดาบันไปต้นค่าพระโสดาบันก็บาปน้อยกว่าพระสกาทาคามีค่าพระสกาทาคามีก็บาปน้อยกว่าพระอนาคามีค่าพระอนาคามีก็น้อยกว่าพระอรหันต์ถ้าค่าพระอรหันต์ก็น้อยกว่าค่าพระประเจกแต่ค่าพระประเจกก็มากแล้วนะอนันตรียกกรรมนั่นนะมันก็สุดยอดละยังไงตกนรกง่ายๆเลย ปรต่าอันทวันป่าอันทวันนั้นเป็นป่าป่าคนตาบอดป่าอันทวันน่ะนะเครียกว่าป่าคนตาบอดในสมัยของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะพระองค์เสด็จดับขันปริญนิพพานเขาก็มีการสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ซุ้มประตูใหญ่มากมั้นเจดีย์เนี่ยสําเร็จด้วยทองทีนี้ในช่วงของการสร้างเจดีย์เนี่ย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 ทีนี้พอท่านได้รับบริจาคปุ๊บท่านก็จะส่งส่งส่งส่ ง, ส ง, สงไปทางโน้นก็ก่อสร้างไปเรื่อยๆทีนี้ในช่วงที่เรียรัยไปเรื่อยๆนั้นอ่ะทางโน้นก็สร้างเสร็จพอดีเขก็ส่งข่าวว่าท่านอาจารย์เจดีเนี่ยเสร็จแล้วขอให้ท่านอาจารย์กลับมาเถอะในระหว่างทางเนี่ยมาถึงป่านี้เข้าโจนเนี่ก็ซุ่มอ่ะเอออุบาสกคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เที่ยวเรี่ยรัยในชมพูทวีปคงได้ทราบมาเยอะก็เลย บอกว่าทรัพอันนั้นขอเธอว่างั้นบอกว่าซัพย์ไม่มีแล้วเอาไปให้เขาทําเจดีหมดแล้วก็บอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นจะทําไงดีถ้าหากว่าเราปล่อยเข้าไปเนี่ยเวลาเราเข้าไปในเมืองอะ่ะเขาต้องประจานนี่ยนีโจรนะนี่โจรเนี่ยเราก็ถูกคายทําไงดีเนะาะพระนาคามีอ่ะนะอุบาสกคนนี้ก็บอกว่าเออปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไม่ว่าอะไรคุณรอกไม่ไม่ฟ้องไม่อะไรทุกอย่างหรอกทีนี้ คนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งบอกควรฆ่าอีกคนหนึ่งบอกเอออย่าฆ่าเลยทีนี้อไอ้ฝ่ายบอกฆ่าฆ่าเนี่ยมากกว่าก็เลยร่วมใจกันฆ่าพระอนาคามนีพอฆ่าเสร็จนะก็บอกว่าตาเนี่เริ่มพร่าพร่าพร่ า, าบอดหมดเลยไอ้พระป่าเขาเรียกป่าคนบอดป่าอันถวันก็เลยกลายเป็นป่าอันถวันป่านั้นก็มาจนถึงศาสนาของพระผู้มีพระภาคของเราพิสูจทั้งหลายก็จะไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่านั้นเป็นเป็นที่หลีกเล่นของพระพิกษุน ในสมัยพุทธกาลเรียกว่าป่าอันทวันป่าอันทวันก็คืออันท่าปแปลว่าบอดวันแปลว่าป่าวัน น, นะนะอันป่าอันทวันก็คือป่าของคนตาบอดอันพระอาริยะก็ถูกฆ่าในาศาสนาของเรานี่็ก็มีหลายองค์อย่างเช่นพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านเป็นพระที่เข้าไปฉันในบ้านโยมบย่อยๆโยมบ้านนี้เขาเป็นตระกูลช่างแก้วมณีช่างอะไรเนี่ยนะเป็นช่างแก้วเียกแก้วมณีพวกเกียรนยัยเพชรพลอยอะไรต่างๆเราเนี้ย อ่าพระนี่ก็ไปฉันเขาสมัยก่อนเนี่ยบินธบะแล้วไปฉันที่บ้านโยงไปฉันอยู่อย่างนี้ทุกวันร้ายปีมาเป็นสิบปีอ่ะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยเขามีคนเนี่ยเอาแก้วของพระราชามาให้อในช่างนีนเจรไนช่างก็ขนาดนั้นเนี่ยกําลังทาเนื้ออยู่พอดีเลยกําลังหั่นเนื้อหั่นอะไรเนี่ยอํามาดเอาของมาให้ปั๊บก็อ้าวมือเปื้อนเลือดนี่รับรับแล้วก็วางเอาไว้ทีนี้ในบ้านนั้นมีนกกระเรียนอยู่ตวงอนกกระเรียนนี่ได้กลิ่นคาวเลือด ก็มาเกลินกินไอแก้วอันเนี้เลยเกลืนกินเข้าท้องไปพระรูปนี้กําลังนั่งมองอยู่ก็มองเห็นท่านเป็นพระนารันท่านก็มองเห็นท่านก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดอะไรแล้วทีนี้นายช่างแก้วคนนี้เนี่ยพอทําอะไรเสร็จเหลียวไปหาแก้วอันนั้นเนี่ยหาไม่เจองานนี้คอขาดแน่ถามเมียเมียก็ไม่รู้ถามพระพระก็ไม่ตอบเอาอยัางไงเนี่ ย, ยถ้าหาว่าไม่เจอเนี่ยถูก ถูประหารแน่ถ้าเอาอยัางไงดีนะก็เลยบอกเออคนอื่นถามใครก็ไม่มีใครเอาทั้งนั้นอยู่ตรงนี้ก็มีแต่พระพระต้องเอาแน่นอนพระนี่เอาแน่นอนก็เลยท่านบอกผมเถอะพระก็ไม่บอกพระก็ท่านจะใช้ทีนี้เอายัางไงดีอ่ะก็เลยไปเอาเชือกมาอันหนึ่งเอาเชือกมาก็มัดศีรษะใช่ไหมแล้วเอาไม้เนี่ยมาก็ขันรัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่ยขันชนะรัดรัดรัดรัดรัดไปเรื่อย จนเรียกว่าตาเนี่นแทบปิ้นออกอ่ะเกือบตายอ่ะทีนี้เลือดมันก็ไหลอาบไอ้นกกระเรียนตัวนั้นมันก็มามันได้กลิ่นเลือดนก็วิ่งมาเลยนายช่างแก้วกําลังโมโหยอยู่พอดีก็หวนเข้าไปปั๊บหนึ่งเนี่ยนกกระเรียนเนี่ยตายคาที่ตรงนั้นนะพระนี่นก็มองเห็นนกกระเรียนเดี๋ยวเดีด๋ยวผ่อนๆหน่อยว่านกตายหรื อ, อยังก็ <c oughs> บอกเออท่านก็จะตายเหมือนนกนั่นแหละก็ <c oughs> ะบอกเออปล่อยปล่อ ย, อ ย, อยไอ้แก้วที่ว่านี่อยู่ในท้องนก ถ้าหากว่านกตัวนี้ไม่ตายเอย่างไงก็ไม่บอกเพราะบอกยังไงต้องถูกฆ่าอยู่แล้วทีนี้ก็เลยไปผ่าผ่าเสร็จเนี่ยเห็นนกปรเรียนเลยเออขาเสีสยใจมากโอ้โฆ่าพระพระรูปนี้เข็ดเลยอ่ะเลิกชั้นบินบ้านโยมละบินระบาดชั้นอย่างเนีเยวแบบนภรรยาเขาเป็นคนมีศรัทธาพระรูปนั้นอยู่ไม่นานท่านก็มรณะภาพเพราะโรคไอที่ที่เขาทาําท่านก็มรณะแล้วก็นิพพานเพราะท่านเป็นพระอรหรันต์ ภรรยาเขาก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเป็นสุขตินกกรเรียนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนคนฆ่านั้นก็เกิดเป็นเกิดเป็ น, น, นอะไรฆ่าพระอรหันต์นรกอะเนาะเพราะฉะนั้นในในศาสนาของของพระผู้มีพระภาคของเราก็มีมีถูกฆ่าอยู่เหมือนกันอันคนทําอำันณรี ก, กรรมนี่ก็ไม่น้อยเลยอะ่ะไม่ไม่ใช่ใ น, น้อยอะนะคนบาปเนี่ยอยู่ยุคไหนมันก็บาปะนะเพะฉะนั้นถ้าฆ่าคนมีมีคุณธรรมมากมันก็บาปมาก ทีนี้ต่อไปว่าถ้าหากว่าค่าคนที่มีกิเลสน้อยก็บาปมากค่าคนมีกิเลสมากก็บาปน้อยทีนี้ถ้าหากว่าค่าคนที่มีคุณเสมอกันสมมตินะเอาคนมีศีลมาสองคนเลยมีศีลห้าทั้งคู่เลยก็บอกว่ า, า ค, ค่าสองคนนี่ค่าใครบาปกว่ากันค่าใครบาปกว่ากันเอายิงชายนี่มีศีลห้าเท่ากันเอา ถึงไตสารนคมชลาเท่ากันหมดเลยใครฆ่าใครบาปกว่ากันก็บอกว่าคนฆ่าเนี่ยใช้ความพยายามฆ่าใครมากที่สุดอันนั้นบาปมากฆ่ายิงก็ฆ่าชายไหนข่า่ากอกันพยายามฆ่าใครมากอ่ะบาปมากเรียกว่ากิเลสในการฆ่าใครมีมากอ่ะอันนั้นบาปมากพยายามฆ่าใครมากก็บาปมากก็คือแสดงว่าตรงนี้เอาที่ชาวนะในการต้องเสพในการฆ่านะ ถ้าปล่อยจิตให้ไหลไปกับบาปมากมันก็บาปมากถ้าปล่อยจิตให้ให้ไหลไปกับบาปน้อยมันก็บาปน้อยถ้าใช้ความพยายามมากเนี่ยวิริยาทิปติมันมีมากโทสะเป็นวิริยาทิปติใช่ไหมอ่าวิริยาที่เกิดร่วมกับโทสะสืบเนื่องเนี่ยเป็นวิริยาทิปติอย่างเงี้ยมันก็บาปมากเราตบยุงไม่ต้องใช้ความเพียรเลยใช่ไหมก็บาปน้อยหน่อยคือบาปน้อยอย่ะเมื่อเทียบกับเพียรนะเมื่อเมื่อเทียบกับไปตบแล็กสาบก็ บาปน้อยกว่าแต่ถารุปนนบาปหมดนะมีโทษหมดนะทีนี้ต่อไปนะว่าปานาธิบาตเนี่ยมีองค์ประกอบห้าอย่างก็คือหนึ่งปาโนสัตว์มีชีวิตสองปานสัญตารู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตสามวัฏกรจิตตังจิตคิดจะฆ่า 4. อุ ป, ปกรโมพยายามที่จะฆ่าห้เาเตณมรนังสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นถ้าครบองค์ห้านี่เรียกว่า ล่วงกรรมบทไปแล้วถ้าไม่ครบองค์ก็ไม่ล่วงไม่ล่วงกรรมบทแต่ก็ชื่อว่าเป็นกายทุจริตสมมติว่ามีในพรานคนหนึ่งใช่ไหมโอแบกปืนมาตั้งแัดเช่าเลยนะเที่ยวล่าไม่มีอะไรตายสักตัวตถามว่าบาปไหมเขาบอกว่าปานาติบาตเขาไม่ล่วงแต่การกระทำทั้งหมดชื่อว่าเป็นกายะทุจริตเป็นกายะทุจริตเป็นประพฤติชั่วทาง กายแต่ก็ไม่ชื่อว่าล่วงปาณาฏิบาตอะไรถามว่าเอยที่เดินแบกปืนทั้งวันนี้มีผลไหมชาวนะมันก็เกิดเนี่ยเป็นอากุสนอาุสลก็ให้ผลเป็นถูกอยู่แล้วเอ๊พูดอย่างนี้ก็สมัยก่อนเนี่ยไปหาหนูบ่อยแสดงว่ามีโทษหนูตามป่าเขากินกันนะหนูในเมืองไม่ก่าเพราะฉะนั้นถามว่ามีผลไหมได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยให้แน่นอนนะท่านได้ึกษาธรรมะนี้เถอ ต่อไปนะว่าองค์ประกอบห้าอย่างนั้นการรู้ว่าสัตว์มีชีวิตและจิตคิดจะฆ่าเนี่ยเป็นบุพบภคเป็นเบื้องต้นของปานาติบาส่วนความพยายามที่จะฆ่าเป็นองค์ประกอบให้วัฏกรเจตนาปรากฏชัดนะก็คือสมมุติว่าเจตนาที่คิดจะฆ่าเนี่ยชัดหรือไม่ชัดก็สังเกตที่ความพยายามวัฏกรนี้แปลว่าจิตคิดจะฆ่าวัฏจักรก็คือฆ่านั่นเอง นวัตกรรมเจตนาก็คือเจตนาฆ่าทีนี่ว่าปฏิบาตนั้นมีประโยคชน์หกเรียกว่าประโยคหมายถึงประโยคแห่งการฆ่านะวิธีฆ่ามีอยู่หกอย่างหนึ่งสาหัสกิจประโยคนฆ่าด้วยมือตัวเองเากลับมาเรื่องเก่านิดได้ไหมไอ้เรื่องห้าองค์เนี่ยฮะห้าองค์เนี่ยมันถ้าอาที่ไม่ครบลองยกตัวอย่างหน่อยทีครับเช่นสมมุติว่าไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิต ที่บอกคนนี้รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตใช่ไหมครับคือสําคัญที่สุดก็คือข้อข้อหนึ่งข้อสองอ่ะนะสัตว์มีชีวิตแล้วเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยเนี่ยเป็นเรื้องต้นสัตว์มีชีวิตจริงแต่เร า, า, ราคิดว่ามันาตายแล้วเนี่ยคิดว่ามันตายแล้วเราก็ไปไปตัดคอมันเลยแบบน้นเถอะถ้านึกว่าตายแล้วก็มันไม่ครบองคอง์ไม่ครบองคนะ์ไม่ครบองค์นะไม่ไม่ครบปานาฏิบัติตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่ถ้าเรารู้นะสมมตินะ สมมติจะมีใครอยู่ในล้อมฟางอ่ะนะอยู่ในกองฟังเลยล้วก็เสียบดาบเสียบเม็ดไปเก็บใช่ไหมเสียไปเพื่อรู้ว่าสัตว์เนี่นะโอ้ตายเท่าไหรก็ดีอ่ะนะพยายามให้ตายเลยอันนี้เนี่ยสแสดงว่าฆ่าแต่ถ้าเป็นแม่อยู่ในนั้นเป็นอนันติกรรมไปแต่เป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยนะสมมุติว่าจิตคิดจะฆ่าสมมุติว่าในที่กระโจมผ้าอยู่กระจมหนึ่งเห็นไหมมีคนหรือมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นพ่อแม่เราเราสําคัญว่าเป็นเป็นสุนัขอย่างเงี้ยฆ่าไป นี่ก็เป็นอนันติยกรรมคือไม่ได้เป็นประมาณว่ารู้ว่าเป็นพ่อหรือไม่แต่เอาว่าผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นใครถ้าจิตคิดจะฆ่าเนี่ยถือว่าเป็นอนันติยกรรมเลยนะคือเจตนาฆ่าเป็นประมาณหนึ่งสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสามจิตคิดจะฆ่าพยายามฆ่าเขาตายจริงๆอ่ะทีนี้เราจะสําคัญว่าเป็นแกะเป็นไก่เป็นอะไรก็ช่างเถอะถ้าถ้าเป็นพ่อนะก็เป็นอนันติกรรมอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าผู้ที่ต้องการรายละเอียดเยอะๆหน่อยนะ ต้องดูในตตทยาปราชิกตตทยาปราชิกในพระไตรวิฎก9ก้าสิบเอ็ดเล่มอยู่เล่มสองในสมันตะปาสาธิกาทุติยภาพขยายไว้ค่อนข้างละเอียดละเอียดหน่อยถ้าเป็นวินัยบัญญัตินี้พระ อ, องค์ห้ามไม่ให้ฆ่าฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนี่เป็นอบัติทุกกฎแต่ถ้าฆ่าคนอื่นเป็นอบัติปราชิกห่างกันมากมายมหาศาลฆ่าเด็กสมมติว่าเร า, าทำยานะ เราเป็นหมอะผลิตยาเอากินเข้าไปแก้วหนึ่งกินละเด็กแพงเลยกับฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายบาปน้อยกว่าให้ยากินแล้วแพงนั่นนะเพราะว่าให้ให้กินยาแบบนั้นเนี่ยเท่ากับเป็นการฆ่าเป็นประราชิกเลยถ้าเป็นพระนะแต่ถ้าฆ่าตัวตายนี่เป็นอบัตทุกกฎและอีกอย่างหนึ่งถ้าใครศึกษาในปัจจัยบิดกดีๆนะพระอรหันต์บางองค์ฆ่าตัวตายเช่นพระโคติกัดพระฉันนะ ถ้าชันนะนี่ก็ฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายปั๊บเนี่ยท่านนึกว่าท่านได้ดีไปแล้วอนะนึกว่าท่านบรรลุไปแล้วทีนี้พอฆ่าตัวตายปั๊บนิมิตปรากฏแล้วก็อาศัยนิมิตนั่นแหละเจริญมิ ป, ปัตนาเป็นผ้าหาันชีวิตสมศีศรีโ อ, โอหมดกิเลสมากกวหมดชีวิตเอาไหมเอานะ<อ>าแน่ใจนะคือไม่มันต้องบรรลุก่อนตายตายแล้วบรรลุนี่ไม่ใช่แล้ว <laughs> <laughs> ต้องบรรลุก่อนตายอ่ะ <laughs> <laughs> มีหลายองค์นะพระครูทิกะ ที่ที่พยายามาตามหาวิญญาณนั่ะนั้นก็ท่านก็ฆ่าตัวตายแล้วท่านก็ปรินิพานพระที่ฆ่าตัวตายและปรินิพานหลายองค์แต่ทีนี้ในยุคนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าฆ่าตัวตายถ้าฆ่าแบบสมัยก่อนนะเขาวางแผนเรียบร้อยหมดนะ่ะเขาจะเจริญนิ ป, ปัตตานา ย, ยังไงจะเจริญกุศลอย่างไงเอาพูดนี้ไม่ได้ไม่ได้ชักชวนเพื่อตายนะแต่เล่าว่าสมัยก่อนนะพระสมัยก่อนที่ท่านฆ่าตัวตายนะี่ยส่วนใหญ่ท่านรู้แล้วว่าพบต่อไปนี่จะไปยังไงท่านควรจะคิดอะไรในขณะ ใก้ตายแต่สมัยเนี้ตายเนี่ก็น่าจะฟรีอ่ะโอเคดูท่าแล้วก็แหมบาปเนี่ทําไว้ต่างเยอะแยะมากมายคิดจะหนีปัญหาโลกนี้ใช่ไหมปัญหาโลกหน้าเนี่ยหนักกว่เาเก่า <c oughs> ใครเคยอ่านในเปตรตวัตถุบางเรื่องใช่ไหม <c oughs> มีนาน้ากับหลานเนี่ยคือหลานเนี่ยไปขโมยของบางอย่างมาก็เอาของเนี่ยมาทิ้งไว้ที่บ้านนะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาตามมาจับเขาว่าไอ้นานเนี่ยเป็นคน อั่งสอนแนะนําให้ขโมยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโทษประหารหลานเสียบเสียบเหมือนปลาเลยเสียบเปล่าไว้ทีนี้อ่านาเนี่ยเขาเป็นคนพูดจริงเขาเป็นคนพูดจริงชมคนที่ควรชมเขาชมคนจริงๆแหละคนดีเนี่ยเขาชมหมดแหละเขาไม่แตนีคําชมใครหรอกแต่เขามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอนาเนี่ยไปไปอาบน้ำกับเพื่อนเพื่อนมีร้ายคนก็ชวนกันไปอาบน้ำํำนี่พออาบน้ําคิดจะแกล้งเพื่อนก็เลย ขโมยผ้าเพื่อนเอาไปซ่อนไว้เพื่อนก็ได้ลุกขึ้นจากน้ำเลยแกผ้าใช่ไหมก็ได้หัวเราะเล่นสนุกสนุกไปงั้นเลยเสรแล้วก็คืนผ้าให้คืนนั่นแหละทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้ตรงร้านเขาเนี่ยบ้านเขาเป็นร้านทีนี้ในถนนหน้าบ้านนี่มันแชก็เลยเอากระโหลกศีรษะวัวเนี่ยไปวางไว้ให้คนได้เดินเหยียบผ่านไปผ่านมาทีนี้เวลาถูกฆ่าตายอ่ะก็มาเกิดเป็นเปรดเกิดเป็นเปรดแกผ้าไอ้โทที่ไปลักผ้านั่นแหละแกผ้า ทีนี้อันนี้สงที่ไปเอากระโหลกเนี่ยไปวางให้คนเหยียบเนี่ยนะทําให้มีม้าขาวเสร็จแล้วเป็นเปรตแก้ผ้าขี่ม้าขาวเนี่ยมาบอกหลานอยู่ทุกวันเอ้ยอย่าตายเลยนะอยู่อย่างงี้ทนทนอยู่ไปเถอะขนาดถูกเสียบก้นเลยนะเขาบอกอย่าพึ่งตายเลเอาถามมาทําไมอ่ะพอตายแล้วตกนรกแง่ายๆเลยถูกเสียบนี่มันเบาหน่อยใช่ไหมโทษน้อยอ่ะก็เทียบกับนรกแล้วโอ้โหนรกมันมากมาย ม, ายมหาศาลเนะี่ยเขาบอกว่าถ้าเวจีนะ ถ้ามองเลยพันหกร้อยกิโมตรเนี่ยนะถ้ามองเห็นป๊ตาบอดทันทีน mm hmm. แสงระหว่างเนี่ยแรงกว่าดวงอาทิตย์ไหมประมาณรัศมีพันหกร้อกิโเมตรเนี่ยตาบอดถ้าอยู่ใกล้มันจะขนาดไหนนะเขาบอกว่าสมมุติเราเอาฟืนส ด, สดๆเนี่ยมาสมบเป็นกองโตๆเลยนะเอามาไฟของอเวจีมาเท่ากับแสงหิงห้อยเนี่ยนะพรึบเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะีคือไฟมันพุ่งเนี่ยนะมันมั น, ม น, มนไม่ไม่ธรรมดาเคยเห็นเขาตัดเหล็ก ตัดเหล็กไหมไฟใช้แก๊สตัดเหล็กเนี่ยนะเหล็กถ้าเท่าเสาเนี่ยเป่าไม่กี่ครั้งเนี่ยขาดเลยนะเป่าพรวดพดเนี่ยนะไอ้ทีนี้มันพุ่งมาหกทิศอ่ะอย่างอย่างถ้าเทวทัตุเนี่ยถูกตรึงไว้ใช่ไหมแล้วก็ไฟเนี่ยจะเป่ามาจากทิศข้างหน้าทิศข้างหลังซ้ายขวาบนล่างเนี่ยนะสรุปแล้วเนี่ยพ่นมาเลยแต่ก็ไม่ตายถ้าบาปกรรมไม่สิ้นสุดทีนี้ถ้าหาว่ากุศลจิตเราไม่เพียงพอเนี่ยถ้าหนึ่งนะถ้าอริยมรรคกุศลยังไม่เกิดนะ โซดาปฏิมาศยังไม่เกิดเราคิดว่าเราพน้นวันนี้ชาตินี้พ้นแล้วละอย่างไงยังไงชาตินี้เราพ้นอยู่เลยไหมเพราะเป็นมนุษย์แล้วนี่ชาติหน้าเออเจริญกุศลมากอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาพอไปเกิดเป็นเทวดาไปทําอะไรกันนี่พอเกิดเป็นเทวดาส่วนใหญ่นะถ้าคนธรรมดาทั่วไปก็เหมือนชาตินี้แหละชาตินี้ทําอะไรมากเห็นไหมนิสัยเก่าๆไปหมดอะุปนิสัยเดิมอ่ะถ้าชาตินี้ไม่ค่อยเข้าใจพระธรรมอยู่แล้วอนะ ชาติหน้าก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้ฉลาดขึ้นเท่าไหร่พอไปเป็นเทวดาปั๊บเนี่ยนะส่วนใหญ่ใช่ไหมธุระมันเยอะนะโอ้โหหูกิจาเลยอ่ะนะเ ด, ดเี๋ยวก็นัดกันไปเที่ยวนู้นนัดกันไปเที่ยวนี่ไปเรื่อยนั่นแหละมีธุระทั้งวันอะ่ะเวลามีเทพระบุตรองค์หนึ่งอะ่ะเขาเขาก ล, กละเก็บดอกไม้ใช่ไหมมีมีบริวารพันหนึ่งเนะี่ยขึ้นไปต้นไม้ห้าร้อยอยู่ข้างล่างคอยประดับอีกห้าร้อย พอกําลังเก็บดอกไม้เพลินเนี่ยจุติไปเกิดในนรกหมดเกลี้ยงเลยนะเฮ้บริวารเราหายไปไหนหมดเหลือไปข้างล่างเนี่ยอา้าวอยู่โน่นหมดเออแล้วเราอาจจะไปไหนเนี่ยรู้ด้วยวถ้าเราจุติเนี่ยจะต้องไปนั้นด้วยอ่าถ้าเป็นเทพมีอนุภาพมากจะรู้คติที่ไปของตัวเองนะถ้าเป็นคนมีบุญเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยรู้เลยว่าเราจะต้องไปไหนต่อพอรู้อย่างนั้นทํำยังไงห่ังจนี้เข้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าไงไปถามปัญหาแล้วก็บรรลุเป็นพระโ์ดาบันก็เลยรอดไป แต่ว่าไอ้ห้าร้อยนั้นเรียบร้อยแล้วอันถ้าเราประมาทในเจตนาของเราเนี่ยจึงน่าเป็นห่วงมากและอย่างหนึ่งสังสารวัตรเนี่ยนะถึงชาตินี้เราทำไม่มากนะและชาติที่แล้วไปเก็บไปไหนเพราะว่าให้ผลชาติหน้าแค่ดวงที่เจ็ดเท่านั้นเองนะชีวิตเราทั้งชาติเลยเนี่ยทั้งการเกิดยันตายเนี่ยให้ดวงเดียวคือดวงที่เจ็ดไม่ใช่ขนาดเดียวนะแต่ว่าดวงเดียวในเจดดวงอ่ะ ดวงที่เจ็ดเท่านั้นที่ให้ผลชาติหน้าดวงที่หนึ่งให้ชาตินี้สองสองถึงหกสองถึงหกเนี่ยที่สามเป็นต้นไปแล้วชีวิตของเราทุกวันเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นผลของกรรมชาติที่แล้วเฉพาะดวงที่เจ็ดเท่านั้นเองผลของกรรชาติที่แล้วสองถึงหกเนี่ยมาชาติหน้าชาติหน้าเนี่ระวังไอ้สองถึงหกของชาติที่แล้วอะ่ะกี่วิธีก็ถ้ามีโอกาสมันให้ได้หมดอะ่ะ แม้แต่อุทธจฉาตามประยุทธ์ก็ให้ได้แต่ก็ให้ไปเป็นพวกประเภทอุปปีและกระกรรมพวกเนี้ยไปเบียดบ้างอาแทนที่จะเป็นกุศลอสมมุติว่ากุศลนี่จะให้ผลร้อยหนึ่งอากุศลบางอย่างตัดเออเอาไปแค่สี่สิบก็พอมันสามารถมันปาดปาดกันได้มันตัดร้อนอะไรกันได้ถ้าศรัทธาไม่เกิดนะยังไงก็เรียนไม่ได้เชื่อเถอะเขาก็มีพระอินทร์ลงมาถามปัญหาธรรมะก่อนเลยนะพระอินทร์เนี่ยเขาจะนัดกันไปเที่ยวสวน รีบลงมาถามปัญหาพระผู้มีพระภาคในจูละตันหาสังขยาสูตรมาถามปัญหาสั้นๆแล้วกลับไปกลับไปนี่พระโมคคัลลานะเนี่ยไม่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงแต่ก็ว่าจะรู้ว่าพระอินเนี่ยจําได้ไหมก็เลยตามไปเนี่ยพระอินเนี่ยกําลังไปเที่ยวสวนทีนี้ไปถึงเนี่ยก็บอกโอ้ดีแล้วท่านมาเยี่ยมเสร็จแล้วพระโมคคัลลานะก็ถามเออเมื่อกี้เนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าไปเนี่ยช่วยแบ่งกันเล่าให้ฟังฟังบ้างสิไปฟังอะไรมาเขาก็บอกว่า จำไม่ได้แล้วผมเนี่ยกิดมากสุระมากวะจำไม่ได้ทีนี้จําไม่ได้ก็เออท่านพระโมคขาลานะผู้เจริญเนี่ยเที่ยวชมปราสาทผมหนึ่งวันชวนเที่ยวดูชมเวทันต์ปราสาทสูงห้ารอยชั้นอะ่ะทีนี้พอขณะที่กําลังเที่ยวอยู่พลึนนั่นแหละพระโมคขาลานะก็อธิษฐานเจริญอโปกสินใช่ไหมเข้าอโปกสินอธิษฐานให้ปราสาทข้างล่างเหมือนกับน้ำแล้วเอาโป้งเท้าเนี่ยกด กดประสาทใช่ไหมมันก็สั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวงั้นเนี่ยนางฟ้าเนี่ยร้องกันน่าดูเลยพระอินทร์เนี่ยฟังเวทใจเลยพระโมคคัลลานะถามใหม่เออเมื่อกี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์แสดงว่ายังไงนึกได้กันเนี่ยจําได้นลเพราะว่าต้องมีเหตุตลดใจอ่ะจึงจะจำธรรมะได้อ่ะไม่สลดใจเนี่ยจําไม่ได้สักอย่างเลยอาจจะเที่ยวยังหีืว่าพองูกิจจาเขงั้นธุระเขาก็คือตัดสินใจสมมุติว่า เทพทัทิดาไปเกิดในสี่แยกอย่างเงี้ยมันจะตกถึงเทพบุตรองค์ไหนเงกันนะตัดสินงานประเภทนั้นเนี่ยนะ อ, อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเทพบุตรจะทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องกามาคุณทั้งห้าอยู่เท่านั้นวันวันหนึ่งพระอินทท่านหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนกับเปรตที่ใช้คําว่าเหมือนกับเปรตก็คือสแสวงหาความสุขจากกามรมาคุณทั้งห้าอยู่ตลอดเวลาก็คือพระอินในองค์ก่อนโน้นในเนมิราชาด ก, กล่าวไว้อย่างนั้น หนาประโยคแห่งการฆ่าหกที่ว่าก็คือหนึ่งฆ่าด้วยมือตนเองนี่ไม่สงสัยสอง 2. อนติกะประโยคใช้ให้ผู้อื่นฆ่าก็คือสั่งสั่งเขาอ่ะสามนิสกิยะประโยคด้วยการคว่างอาวุธไปปล่อยอาวุธไปก็เหมือนกับสมัยใหม่เนี่ยนะอาวุธที่มันยิงได้ไกลๆอ่ะนะพวกนี้เรียกว่านิสกิยาประโยชสี่ทาวนประโยคนฆ่าด้วยเครื่องมือที่ทาไว้ประจําก็เล่า ว, ว่า ถ้าผู้ใดคิดสร้างอาวุธนะอาวุธในการฆ่าถ้าคนนั้นเนี่ยสร้างคิดไว้เพื่อให้ฆ่าเลยนะถ้าเขาเอาไปฆ่าร้อยคนเราได้บาปร้อยครั้งด้วยถ้าเขาไปฆ่ามากเราก็บาปมากโม่ถ้าเราจะสร้างปืนสักอันหนึ่งนะเอาไว้ให้ฆ่าโหรือสร้างดาบมาสักอันหนึ่งเป็นดาบที่มีความคมมากฟันฉับเดียวเนี่คอขาดอย่างเงี้ยถ้าแล้วเราให้ดาบเนี้ยเราเจตนาตั้งไว้เพื่อฆ่านะเขาไปฆ่าหนึ่งพันคนเราก็บาปหนึ่งพัน ค่าเท่าไหรเราก็บาปเท่านั้นนะนั้นพวกที่สร้างอาวุธประเภทอาวุธถาวรเนี่ยจึงน่ากลัวมากเลยนะประเภทฆาอาวุธเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรที่ที่อุบาสกไม่ควรทําเป็นอาชีพที่ ท, ท, ท, ที่ไม่ควรไม่ควรเจริญเลยเจริญพรนั้นโทษของสังสารวัตรเนี่ยมันน่ากลัวมากนั้นคนหัวดีๆแล้วก็ใช้หัวไปในทางที่สมมุติว่าคิดประดิษฐ์ยาพิษขึ้นมาอย่างเงี้ ทำวิจัยเพื่อที่ประดิษยาพิษอันเนี้ประกอบกันนี้เข้าจะเป็นยาพิษชั้นหนึ่งอย่างไงฆ่าแล้วโหคนเอาสูตรนั้นไปใช้เนี่มันบาปมากขนาดไห น, นความรู้บางอย่างเนี่ยมันก็เพื่อเรียกว่าความรู้ที่เกิดกับคนผานมีเพื่อฆ่าส่วนแห่งสุคธรรมของเขามาว่าความรู้ของคนผา น, นั้นมีเพื่อฆ่ากุศลของตัวเขาเองเลยเขามีความรู้อันนั้นอันนั้นแล้วน้อมความรู้อันนั้นไปใช้ในการฆ่าเป็นต้น ก็เหมือนถ้าหากว่าอุบาสกอยูคนหนึ่งเนี่ยมีคนก็บอกว่าถ้าคุณไม่ฆ่าไก่เขาจะฆ่าคุณอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขายอมถูกฆ่าเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาฆ่าไก่นะบาปมันจะมากมายขนาดไหนเทียบกับถูกฆ่าแล้วเขารักษาศีลวยได้ศีนเนี่ยทําให้ไปสู่สุคติแน่นอนเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของกุศลจริงๆเนี่ยกุศลให้ผลเป็นทุกมีไหม ไม่มีถ้ารักษาเจตนาที่ดีเอาไว้ก็เจตนานั้นจึงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญตรงนี้แหละที่ทําให้เราเห็นว่าใครมีกรรมสกตาดีกว่าใครนะหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าเราเห็นว่าอะไรคือสาระในโลกนี้อะไรคือสาระอะไรคือสาระในชีวิตของเราเลยนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดนะเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นคนอื่นเป็นอัพยากตะธรรมของ เ, เขาเป็นรูปารมเป็นสีต่างๆเสียงที่เขาพูดเป็นสัทธารม์ นั้นอารมณ์ที่เรารับรู้จากเขาส่วนใหญ่เป็นอัพทยากระตาธรรมถึงเขาเป็นกุศลกับอกุศลของเขาอีกนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่เราคิดอะไรล่ะเราเข้าไปเกี่ยวข้องสภาพจิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกฝิ่งเลยนะเช่นมีนาฬิกาและเกี่ยวข้องกับนาฬิกาอันนี้อย่างไรอันนี้แหละคือของเราแท้ๆเลยนะเขาจึงเรียก ว, ว่ากรร ม, มสกตาไงส ก, กะนี้แปลว่าส ก, กะของตนกรรมเป็นของตนน่ะสัตว์มีกรรมเป็นของตน อันเจตนามันจะให้ผลในขันธะสันดานของของคนคนนั้นนั่นเองนี่แล้วแต่ว่าใครมีความเข้าใจในเรื่องเจตนาขนาดไหนว่าเจ e ตนานี่มีโทษอย่างไรให้ผลกี่ระยะให้ผลอย่างไรเนี่ยนะอันถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่มีสัมมาทิฏฐิเลยเนี่ยรับยากมากหรือคนประเภทอุเฉตทิฏฐิเนี่ยจะรับไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งก็เกิดจากถ้าคนทำชั่วมากๆเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้ ที่เป็นปัจจัยก็คือถ้าบาปมีจริงแล้วเขาเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนใช่ไหมอ่าส่วนหนึ่งนะคนที่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ได้เพราะเขาบาปเกินไปพู้อีกนนหนึ่งว่าชั่วเกินไปที่จะศึกษาพระธรรมได้เช่นศึกษาเรื่องกรรมเนี่ยเอยออคุศลเจตนามีผลเนี่ยถ้ามาศึกษาแล้วอคุศลมีผลแล้วโอ้ฉันเกิดมาเนี่ยแทบไม่เคยทําบุญไว้เลยฉันเท่าจึงรับไม่ค่อยได้หลายคนนะที่เรามารู้จักเนี่ยเขารับเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ได้ เพราะเจตนาเขาวิบัติมากนะอกุศลเจตนาเขาเกิดรุนแรงมากเขากลายลักษณะทีนี้เขาจะกลบเกลื่อนตัวเขาเองให้สบายใจก็คือการปฏิเสธบาปมันไม่มีพอปฏิเสธอย่างนี้เข้าตัวเองก็จะได้สบายใจไงจะได้กลบเกลื่อนเรื่องนั้นได้แต่ว่าถึงเขากลบไว้ยังไงก็ตามเถอะเจตนาก็ไม่ไร้ผลอยู่ดีนั่นแหละถ้าตอนที่เขายังกลบเกลื่อนได้เขาก็นึกว่ามันแก้ได้ แต่เวลาใกล้จะจุติจริงๆเนี่ยนะนิมิตแห่งจุติจิตคืออะไรก่อนที่จะจุติจิตจะเกิดก็คือกรมกรรมนิมิตคตินิมิตกรมนั้นอะ่ะแล้วแต่กุศลหรืออกุศลกรรมนิมิตอะ่ะเกี่ยวข้องกับเครื่องมือชนิดไหนมากถ้าของเราก็นึกถึงพระไตรปิฎกไปย่างดีนะกรรมนิมิตการนึกถึงพระไตรปิฎกนี่เจ๋วเลยนะได้กรรมนิมิต อ, อ, อ่กะกรรมนิมิตนะพระไตรปิฎก อ, อ่านพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ยบวมตาเออนึกถึงภาพพระไตรปิฎกไว้ คตินิมิตตัวนี้เนี่ยแล้วแต่ภาพแต่ถ้าหากว่าคนเข้าใจดีจริงๆเนะี่ยเปลี่ยนคตินิมิตได้ถ้าฉลาดจริงๆเลยนะคตินิมิตเปลี่ยนได้เหมือนกับพระอรหันต์หลายองค์เนี่ยท่านค่าตัวตายเม้ก่อนจะตายเนี่ยท่านเห็นภาพนิมิตท่านรู้ทันทีเลยว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็เจริญนิพพานาขณะนั้นเลยในขณะที่ภาพนิมิตเกิดขึ้นก่อนจะตายเนี่ยถ้าผู้ที่มีความเข้าใจในคําสอนอยู่แล้วเนี่ยนะ ตรงนั้นมีอะไรมั่งที่ไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาใช่ไหมขณะนั้นก็ยังมีขันธะอรายธรรมอันอุปกรณ์แห่งการอบรมปัญญาขณะนั้นก็มีแต่ถ้าขณะนี้ไม่เคยอบรมเลยนะไม่ต้องพูดถึงขณะนั้นแล้วถ้าขณะนี้วิจัยอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะตอนป่วยมากๆเนี่ยทำ ม, มากก็เอาไปไกลๆหน่อยสํคาคัญอย่างนั้นแต่ถ้าอบรมไม่มากๆละตรึกบ่อยๆใส่ใจมากๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยเราได้ต่อไปนะว่า วิชามยะประโยคค่าด้วยอำนาจคุณสายก็คือค่าด้วยไสยศาสตร์แล้วก็หกอิที่มยะประโยคค่าด้วยการบรรดาลทิศอธิบายในประโยคเหล่านั้นโดยย่ยอๆพยาพิสดารก็ น, นู่นอ่านในสมันตะปาสาติกา ต, ตัตยยปราชิกก็แล้วกันว่าบรรดาประโยคทั้งหกอย่างนั้นประโยคแห่งการค่าที่บังเกิดขึ้นด้วยมือของตนชื่อว่าสาหทิกะประโยคคือค่าด้วยมือตนเอง ประโยคที่เป็นไปด้วยสามารถแห่งการสั่งบังคับผู้อื่นว่าเชื่อว่าอานติกะประโยคคือการใช้ให้ผู้อื่นฆ่าประโยคที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งการยิงด้วยลูกศรการพุ่งด้วยหอกเป็นต้นออกไปเชื่อว่านิสกิยะประโยคนฆ่าด้วยการคว่างอาวุธไปปล่อยอาวุธไปประโยคที่เป็นไปด้วยสามารถแห่งการขุดหลุมพลางเป็นต้นชื่อว่าถาวรประโยคฆ่าด้วยเครื่องมือที่ทำไว้เป็นประจา ขุดหลุมนะ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาดักสัตว์ใช่ไหมเขาจะไปขุดหลุมไหมถ้าสัตว์เดินลงมาก็จะตกหลุมนั่นไงศึกษาพระธรรมบ้างมาเอ๊หนีอะไรกันเนี่ยหนีความคิดตัวเองนั่นแหละถ้าหากว่าเราหนีความคิดที่ชั่วเจริญความคิดที่ดีได้มากขนาดไหนก็ประสบความสําเร็จเท่านั้นแหละถ้าหากว่าเป็นภายนอกทั่วไปจะไม่หนีศัตรูแต่ศัตรูภายในที่น่ากลัวที่สุดก็คือบาปอากุศลนั้นการศึกษาพระธรรมก็เพื่อที่จะหนีบาปอากุศลเหล่านั้นนั่นเอง ทีนี้ต่อไปนะว่าประโยคที่สําเร็จด้วยการร่ายมนเหมือนการร่ายเวทมนของหมออาถรรพ์เป็นต้นชื่อว่าวิชามยะประโยคน่าด้วยอํานาจคุณสายหรือว่าไสายศาสตร์นั่นเองประโยคที่สําเร็จด้วยฤทธิ์อันเกิดแต่กรร ม, มวิบากพึงเห็นเหมือนประโยคของผู้มีฤทธิ์ให้สัตว์มีพิษขบกัดเป็นต้นชื่อว่าอิทธิมยะประโยคน์กระว่าด้วยการบันดาลฤทธิ์อันทาเวสวร์นเนี่ยสมัยที่ยังไม่เป็นพระอริยะเนี่ยนะ เท้เวสุวรรณนี่จะมีตาอีกตาหนึ่งตาที่สามเขาบอกว่าตานี้ถ้าโกรธยักษ์ธรรมดาเนี่ยมองเนี่ยยักษ์จะตายมากสมัยที่ไม่เป็นพระโสดาบาันเนี่ยก็ฆ่าไมาา่ได้น้อยเหมือนกันนะท้ามหาราชอ่ะท้าจาตุล ม, มหาราชเนี่ยอาวุธพระอินทเนี่ยถ้าหากว่าสัดไปนะวัชราวุธของพระอินทเนี่ยก็มียรนุภาพมากนะปัญญาให้ฆ่าขนาดไหนก็ได้เพราะฉะนนั้เขาบอกว่าคนยิ่งมีบุญเท่าไหร่นะโอกาสที่จะได้ทําบาปก็มากเท่านั้น สมมติถ้าเรามียศมีเดชมีอำนาจขนาดไหนน้อมอำนาจนั้นไปเพื่อการฆ่าเนี่ยเหมือนเป็นฮิตเลอร์เงี้ยก็ตายแค่ไรฮีเลอร์ฆ่ายิวอย่างเดียวก็ประมาณหกล้านเนะ่ยยิวเนี่ยตายประมาณหกล้านโอถ้าท้ามากๆเข้าแล้วทีนี้บาปมันโอ้ถ้ามันให้ผลนะสังสารวัตเนี่ยมันจะหมดที่เนาะนะสังสารวัตเนี่ยก็เรียกว่ายาวเลยอ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะกรรมบางอย่างอย่างคนที่ที่หัวดีๆแล้ววางแผนฆ่ามากๆเนี่ยนะ อั้นน่าสงสารเ่ยนะถ้าหากว่าเกิดเป็นทีเนี่ยคนพวกนั้นเนี่ยมาเกิดเป็นญาติเราสงสัยป่วยบ่อยน้าดูเลยนะพาไปส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยใช่ไหมกรรมของการฆ่าสัตว์ให้ผลอย่างเบาที่สุดคืออายุสัน้นแต่ก่อนฆ่ามันก็ต้องทุบตีบ้างเอาไมันก็ป่วยบ่อยอ่ะฉันพวกโรคภัยไข้เจ็บบ่อยๆนี่ก็คือประเภททําเหตุชนิดนี้แหละให้ฉลาดเท่าของเบ้งเนี่ยมาไม่เอาของเบ้งเนี่ยก็สมัยนั้นเนี่ยวางแผนฆ่าเนี่ย โอ้ผเป็นฆ่าคนประมาณสองล้านห้าวางแผนค่าเนี่ยนะที่ว่าเผาเรือเป็นร้อยล้ำเนี่ยร้อยเออร้อยหมื่นอนะ่ะอันนั้นก็คงไม่เอาวางแผนนะ <c oughs> คือตอนนี้นะพอศึกษาเรื่องกรรมอย่างนี้ทําให้เราเห็นว่าน่ากลัวที่สุดในโลกคือใครรู้ไหมกายวาจาเรานี่แหละหน่ากลัวที่สุดในโลกเลยถ้าเราไปปล่อยให้มันมีบางอย่างเกิดขึ้นนะถ้าเราไปเกิดเป็นบางอย่างสมมุติถ้าเกิดเป็นเสือใช่ไหมเสือกินเจมีหรือเปล่า เสือกินผักเนี่ยมีมีหรอกมีเสือกินผักหรอถ้าเกิดเป็นพบบางอย่างเนี่ยตถ้าเกิดเป็นงูเนี่ยกินอะไร ง, งูงูกินผักบุ้งมีปะ <c oughs> <c oughs> เกิดเป็นงูไม่กินผักบุ้งนะ <c oughs> คิดดูว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์บางประเภทนะมันบาปเกือบทั้งชาติเลย อ, อันสมมุติถ้าเราอิ่มปั๊บเนี่ยสัตว์อื่นต้องตายอีกหลายตัวปาณาติบาตเนี่ยมีมากมายมหาศาลมันโทษของกรรมวัตเนี่ยจึงมากมายมหาศาล นั่นแล้วก็พอกรรมเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะสมมติอาคุศนมันให้ผลสัตว์ส่วนใหญ่พออาคุศนให้ผลปับ๊บอาคุศลจะเกิดต่อทันทีเลยอาคุศลวิบากจะทําให้เกิดโทสะง่ายแล้วก็ไอ้ผลของกรรมเก่านี่มันก็เจ็บแสบอยู่แล้วทํากรรมใหม่เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขคติของคนพานเนี่ยจึงหายากมากถ้าหากว่าเผลอไปต่ํำนะถ้าไปอบายแล้วเนี่ยจะกลับมาจากอบายคืนเนี่ยยากมาก เว้นไว้แต่ว่าคนนั้นเนี่ยบุญเก่าค่อนข้างมากอะปราเปรยเจตนาของเขาอ่ะจะมาให้ผล น, นำเกิดในภพที่ดีก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงบ้างแต่ถ้าหากว่าคนที่สะสมอกุศลไว้มากๆเนี่ยนะก็คิดดูว่าโยมว่ายุงนี่มันมากขนาดไหนทั้นสัตว์เดรัจฉานนี่มีมากมายมหาศาลปลานี่ก็ไม่ใช่ใ น, น้อยเลยเนะาะบ่อปกาเนี่ยเอเพียบแล้วเปอร์เซ็นต์เกิดในท้องปลามีหรือเปล่าทั้ พยายามศึกษาเรื่องกรรมแล้วก็ให้เห็นโทษของเจตนาให้มากๆคือกุศลที่เป็นไปเพื่อตัดกรรมก็คือกุศลประเภทวิปัสสนานั่นเองกุศลประเภทปริญญาสามทำวิจัยเรื่องนี้มากๆขนาดไหนเราก็สามารถที่จะพ้นได้ขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าเราทํากุศลประเภทวตะอยู่นะภาษาทูแต่และคอยไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้นี่ก็ก็น้าเป็นห่วงอันกุศลประเภทวิวัฏฏะเนี่ยเจริญมาให้มากๆ ถ้าเราสะสมกุศลประเภทวิวัตต์ไว้เยอะๆนะพระพุทธเจ้าจะมาโปรดเราได้แต่ถ้ากุศลประเภทวิวัตตไม่เคยเจริญเลยอ่ะทําบุญก็ปาถนาบรูปเสียงเปลี่นรถอยู่แค่นั้นนี่ยส่วนใหญ่ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะโปรดข้อไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่มีบารมีเก่านะพระองค์ช่วยไม่ได้พระองค์จะสงเคราะห์คนที่มีบุญเก่ามีบุญเก่าเต็มเปี่ยมเหมือนกับแสงสว่างมันอยู่ในตุ่มอ่ะพระพุทธเจ้าไปเปิดให้ แต่ถ้าไม่มีบุญเก่าเลยนะแล้วคนอื่นเนี่ยฆ่าต่างมากมายทําไมไปโปรดแค่องค์ุริมานอยู่คนเดียวโจรอื่นๆทําไมไม่ไปบ้างอะ่ะโจรอื่นๆไม่มีของเก่ามาก่อนไม่มีบุญเก่ามาก่อนอันคนที่สะสมบุญเก่าถึงชาตินี้ไม่ได้ตรัสรู้ทำแต่ยุคต่อตไปใช่ไหมถ้าพระสีอานไม่ได้บรรลุ ก, ก็ไปในศาสนาของพระเจ้าประเนสนิโกศลศาสนาของพระเจ้าปเนสนิโกศลไม่ได้ก็ศาสนาองค์ต่อตไป <c oughs> คือถ้าศึกษาเรื่องกรรมแล้วก็จะทําให้เราเห็นว่า ชีวิตเราเนี่ยนะนอกจากพระรัตนตรัยแล้วเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งจริงๆเลยนะที่ที่จะช่วยพึ่งทางความคิดของเราเนะี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่อาศัยพระรัตนตรัยเนี่ยเราไม่รู้จะพูดให้มันเป็นอะไรเลยพูดอะไรนั่นก็บาปพูดอะไรนี่ก็บาปทําอย่างนั่นก็บาปทําอย่างนี้ก็บาปแต่ถ้าเรามีพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยจะคอยบอกเราเลยจะคอยบอกเลยนะเห็นคนนี้เราต้องเจริญกุศลแบบนี้นะคนนี้ต้องเจริญกุศลแบบนี้นั้นคําสอนของพระผู้มีพระภาคจึงมาก อันถ้าหากว่าเรามองคําสอนนะถ้ามองคําสอนหนึ่งคำเหมือนกับเพชรหนึ่งเม็ดแล้วเมื่อ น, นั้นเราจะศึกษาได้อีกนานและจะไม่เบื่อหน่ายเป็นธรรมรัตนะนะแต่ถ้าหากว่าเรามองอุย้ยมากจริงๆเลยนะจะ แ, แสดงว่าก็เหมือนกับคนที่เกิดมาแล้วพ่อแม่มีทรัพย์เยอะนะโอ้รวยขนาดนี้เลยแล้วเหนื่อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่ไหวเนาะแต่บอกโอโ้ยิ่งดีที่คาสอนยิ่งมากเท่าไรนั่นแหละคือทรัพย์ของเรา อย่าลืมอย่าปล่อยให้ทรัพย์คือศรัท ธ, ธาเราหายไปอย่าปล่อยให้ทรัพย์คือสุตะเราเสียไปเพราะว่าสุตะนั้นแหละเป็นปัจจัยแห่งปัญญาอันการฟังด้วยดีเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาปัญญาเนี่ยจะได้จากสุตตะอันในขณะที่เราศึกษาด้วยความรู้ความเข้าใจในขณะนั้นนั้นเราก็มีทรัพย์และถ้าชีวิตของคนมีทรัพย์ก็ไม่ต้องกลัวผัดสนขอให้เอาทรัพย์ภายในกันน่อเนาะ